พระไตรปิฎกเล่มที่ส4บสโลมสักังกียะพัตเทกราัตตสูตรข้อพิจารณาที่มีประโยชน์มากกับการเริ่มต้นปฏิบัติธรรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแหละท่านพระโลมสกังกียะอยู่ที่นิโครทารามเขตกรุงกบิลพัท ว้นสักกัลขณะนั้นเมื่อราตรีผ่านไปจันทนะเทพบุตรเข้าไปหาท่านพระโลมาส ก, กังกียะกล่าวอย่างนี้ว่าท่านจําอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมตอบว่าจําไม่ได้ถามว่าท่านจำคาถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญได้ไหมก็ตอบว่าจําไม่ได้เช่นกันจันทนะเทพบุตร จึงกล่าวคทถาที่แสดงถึงบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญนั้นให้ฟังโดยได้ฟังมาจากพระพุทธองค์ในครั้งที่ตรัสแสดงไว้ในหมู่เทพชั้นดาวดึงและแนะนำให้ศึกษาเล่าเรียนเรื่องนี้ไว้เพราะว่าอุเทศและวิพังของบุคคลผู้มีราตรีเดียวเจริญนี้ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งการประพฤติปรมจันทร์จันทนะเท พ, พบุตรกล่าวดังนี้แล้วก็หายตัวไปณที่นั้นเอง เมื่อล่วงราตรีนั้นไปท่านพระโลมาสักการียะจึงเก็บงามเสนาสนะเดินทางเข้าไปเป้าพระผู้มิพระภาคกราบทูลเรื่องที่สนทนากับเทวดาให้ทรงทราบและก่อให้โปรดแสดงธรรมเรื่องนี้พระผู้มิพระภาคจึงได้ตรัสคถาประพันธ์นี้ว่าบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังมาไม่ถึงสิ่งนั้นก็เป็นอันยังมาไม่ถึงส่วนบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะที่เป็นปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คลอนแคลในธรรมะนั้นๆบุคคลนั้นควรเจริญธรรมะนั้นให้แจมแจ้งบุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมูณีผู้สงบเรียกบุคคลผู้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั่นแหละ ว, ว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญบุคคลคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไร คือบุคคลรำพึงถึงความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตรเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตรเราได้มีเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลคํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้บุคคลไม่คํานึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลิน ที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอดีตเราได้มีรูปอย่างนี้ในอดีตเราได้มีเวทนาได้มีสัญญามีสังขารมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่คำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วเป็นอย่างนี้บุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไรคือบุคคลไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่า ในอนาคตเราพึงมีรูปอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีเวทนาอย่างนี้ในอนาคตเราพึงมีสัญญาพึงมีสังขารและพึงมีวิญญาณอย่างนี้พิกษุบุคคลหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างไร คือบุคคลไม่รำพึงถึงความเพลิดเพลินที่มีอยู่ก่อนนั้นว่าในอนาคตเราพึงมีรูปพึงมีเวทนาพึงมีสัญญาพึงมีสังขารพึงมีวิญญาณอย่างนี้ภิกษุบุคคลไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงเป็นอย่างนี้แลบุคคลงอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคือปุตุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับ ไม่ได้เห็นพระอริยะหรือสัตบุรุษคือคนดีไม่ฉลาดในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษพิจารณาเห็นขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างคือเห็นเป็นเราเป็นของเราพิจารณาเห็นอัตตามีในขันห้านั้นบ้าง พิจารณาเห็นขันห้านั้นในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในขันหานั้นบ้างภิกษุบุคคลง่อนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แลบุคคลไม่งอนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างไรคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ใดสดับได้เห็นพระอริยะหรือสัตบุรุษคือคนดี ฉลาดในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษได้รับการแนะนําในธรรมะของพระอริยะหรือสัตบุรุษย่อมไม่พิจารณาเห็นขันหานั้นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณย่อมไม่พิจารณาเห็นขันห้าเหล่านี้โดยความเป็นอัตตาคือเห็นเป็นตัวเราเป็นของเราภิกษุบุคคลไม่ง่อนแง่นในธรรมะที่เป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธิ์นี้แล้วท่านพระโลมส ก, กังคียะมีใจยินดีชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบโลมส ก, กังคียะพัดเทกรัตสูตร